เอาละคุณลุงบุญนี้คะยังอยู่นรกขุมใหญ่ขุมที่ห้าใช่ไหมคะใช่ครับมาหาควานองอยูนองอยู่สัตว์นรกถูกทรมานยังไงคะโอ้โหพวกนี้ยิ่งร้ายหนักเลยไฟยิ่งร้อนหนักเข้าไปอีกครับครับครับถูกทรมานยังไงคะโอ้โหพวกนี้แม่ไฟเผาแล้วเปื่อยเผาแล้วเปื่อยเป็นขุยขงครับถูกทรมานมีดอกบัวไหมมีมีดอกบัวเหมือเมื่อกี้เนี้นะคะครับ แต่ว่าความร้อนมันมากกว่าร้อนจัดกว่าอ่าขนาดดอกบัวมันเป็นไงใหญ่กว่าดอกบัวก็ใหญ่กว่านรกอยู่ตรงไหนทุกข์ทรมานตรงไหนรอบๆเลย ร, รอบๆแต่ระหว่างกลีบดอกบัวครับอ่ากลีบดอกบัวก็ร้อนเป็นเหล็กแดงมีบเข้าไปะครับปลูกนีดร้อนปากร้อนเลโอ้ยลองกับขอขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าช่วยและขอท่านพญาโยมาราชช่วยให้คุณลุงเกิดความรู้สึกว่ามาร้องเสียงเป็นยังไง เขาเลี้ยงโอ้ยพวกนี้ร้องเหมือนเสียงเปดสารนรกร้อมันเสียงเป็ดครับมันร้อนมัน่ะมันร้อนมันร้องอดอนไม่เป็นภาษาคนนะทีนี้ใช่ครับอนี่มหาโรลุวะมหานรกมีอายุแปดพันปีนรกยิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปอีกระยะเวลาหนึ่งวันของนรกนับเป็นพันพันล้านปีเลยกว่าจะได้หนึ่งวันของนรกเขานะคะใพวกนี้เป็นยังไงคะความความชั่ว ทำความชั่วประเพศไหนอือฮึข้อนี้ยิ่งความชั่วหนักลงไปอีกขาดเมตตาหนักเข้าไปอีกนะครับอืเพิ่มโมโหโทโสร้ายทํา้วยการขาดความคิดนะคะครับครับคับต่อไปมรรกขุมที่หกมีชื่อว่าตาปะมหานรกนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเสีก่อนขอพรพระองค์ท่านให้เห็นสัตว์นรกตามความเป็นจริงขอท่านพ่อท่านแม่ท่านพญาเยื่อเมาท่านพาไปดู เจอย่างคะเจอแล้วครับคุมนี้สัตว์นรกถูกทรมานยังไงคะดูภาพโอ้โหเยมันหนักลงไปเรื่อยเนี่ยครับความร้อนไฟสูงขึ้นไปอีกละใช่ครับสัตว์นรกถูกเป็นไงนอนหรือว่านั่งอ่ายืนยืนนะคะยืนบ้างยืนบนอะไรยืนบ้างนอนบ้างนั่งบ้างก็กองไฟกองไฟก็ยืนเผาไฟเผาหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ามาก็ร่มลงไปรอมลงไปเดี๋ยวลุกขึ้นมาอีกแล้ว แล้วไฟเผาอีกแล้วที่นี่ที่มันยืนดูพื้นสิคะมันเป็นอะไรโอ้โห oh พื้นธรรมดาหรือเป็นพื้นห อ, อกดาบพื้นน่ะพื้นของนรกมีแต่ห อ, อกดาบทั้งนั้นมีประเภทห อ, อกดาบแหลนเหลาเป็นไปหมดเลยใช่ครับท่วมใช่ไหมคะใช่ครับมันก็ทิ่มมันก็แทงมันก็ร้อนมันก็แสบไม่รู้จะไปไหนทิงจะยืนจะเดิน oh ไอห อ, อกดาบแหลนเหลาทิ่มแทงตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับทำความชั่วอะไรเจ้าคะ่ะถามท่านพญาโยมาราศพวกนี้ชั่วนหนักเข้าไปอีกชั่วหนักเข้าไปอีกนะคะครับก็ขาดเมตตานั่นแหละ โอ้โห oh ขาดเมตตาหนักเข้าไปอีกอันนี้มีอายุหนึ่งพันหนึ่งมืนหกพันปีนรกนะครํา<ถ>แดงมากขึ้นนะไฟรู้สึกจะโชนมากขึ้ น, oh น, นะคะ่ะโอ้โหไฟหนักเข้าไปเรื่อยเข้านะคะต่อไปนรกขุมที่เจ็ดมีชื่อว่ามหาตาปะมหานรกคล้ายๆเมื่อกี้ไหมคะ ใายแต่ว่าไฟมากกว่าครับมากกว่านะไฟแรงกว่าอหอกดาวแหลนแล้วคิ้นแท ง, ทแทงต้องนอนอมนมั่งเดินนั้นแหะแควิ่งจะ อ, อะไรไปไหนก็มันก็พิ้งก็ตำนึงตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะอันนี้มหาตาปะมหานรกนะคะมีอายุครึ่งกับโอ้โหร้อนเ พ, เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะต่อไป น, น <ะ S 1> รกถึ้ใหญ่ผุมสุดท้ายมีชื่อว่าเอเวจีมหานรกมีอายุหนึ่งกับ นึกถึงพระพุทธเจ้าขอบารมีท่านช่วยเหย็นภาพสัตว์นรกตามความเป็นจริงเป็นไงคะเจอสภาพไปยัง เ, เวจีโอ้โหลุมนี้กว้างครับกว้างใช่ไหมคะครับมีสัตว์นรกมากมากครับไฟเป็นไงฮะโอ้โหไฟลุกไม่มีระยะเลยครับไม่มีระยะนะมันแล้วแล้วต้นไม้ต้นนั้นมันทําไมไม่มีใบ ไ, ไม่ม่เป่งไส้มีต้นเหรอมีต้นหรือเป็นเหล็กเขา<อ>้าไปดูใกล้สคะ ขอขอภาพมาใกล้ๆหน่อยเหล็กครับเล็กเล็กเหล็กเล็กแล้วมีอะไรถูกตรึงหนูเปล่าโอ้ยมีครับใครถูกตึงอยู่องคุลีมันอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่องคุลมันถามทป็นพญายมราชท่านองคุลมันทันทีผานแล้วถามก่อนครับอ๋อไอ้เทวทัตว่ะแมมองคุลีมันท่านเป็นพระอัฐถ้าเทวทัตนะคะค่ะท่านบอก ท่านบอกผมว่าไอ้ตอนนั้นและไอ้ตอ น, เ ท, ทนเทวทัตตนสุดเอ่แล้วเทวทัตถูกตึงยังไงก็ตู ก, กึงแขนสองข้างเหยียดออกไปเลยแล้วก็มีหอกดับเต็มตัวหมดแทมทึ้งถ้าแล้วคอตกเลยคอตกหน่อยเหยรอคะถ้าไฟก็ท่วมกระดูกร้อนแดงนะมโอ้โหไฟรูกขึ้นท่วม เนื้อหนังก็เปื่อยลงมาแล้๋ยวมีเนื้อหนังขึ้นมาอีกกระดูกแดงโอ้ยตายแล้วแดงแด ง, งจนขาวเลยนะก็ทรมานเจงๆเทวทัศ์เนี่ยทำความชั่วอะไรทุกคนทราบใช่ไหมคะค่ะทำร้ า, รายพระพุทธเจ้าถึงหอพระโรธิตนะคะค่ะความจริงโทษของนั้นเทวทัศน์เนี่ยควรจะไปโลกันนะคะคแต่อาศัยที่ท่านเทวทัศน์ได้พิงยายสมาบัตินะคะ ก็เลยมาอยู่แค่เวจีถามท่านพญาโยมร่าสิคะว่าท่านเทวทัตเนี่ยจะตกนรกขุมเนี่ยถึงกลับไหมโอ้โหนานหน่อยครับนานหน่อยนานเหรอคะครับครับวามจริงท่านเทวทัตท่านก็มีความดีท่านได้ริญยาสมาบัตินะคะใช่แต่ท่านทําไปเพราะความหลงใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านเทวทัตเนี่ยจะตกนรกไม่ถึงไม่ครบหนึ่งกลับละโูกครับนะคะครับแค่สิ้นศาสนาเนี่ย นะคะใช่ครับห้าพันปีมนุษย์เนี่ยนะคะครับท่านก็จะพ้นจากอเวจีมหานรกแล้วครับถ้าขึ้นมาเป็นพระประเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยสายกว่าดูนี่เพราะท่านรู้เพราะท่านได้ปัญญาสมาบัตินะคะแต่ถ้าคนทําความชั่วโดยไม่รู้เน่ยเหมือนกับเราเหยียบน้ำหลับตาเดินมันก็เป็นตามเต็มที่ใช่ไหมคะคแต่นี่ท่านทําไปท่านก็รู้จึงได้ตกนรกไม่เต็มที่นะคะครับดูที่มีคนหนึ่งนางจินจามานวิกาอยู่กลุ่มเนี่ยเป่ะ อยู่หรือเปล่าคะอยู่อยู่่นะยืนหรือเดินหรือนอนหรือนั่งเดินไม่ได้นี่ถูกตึงอยู่ที่แย่เลยยืนหรือเปล่ายืนครับยืนนะนี่ถูกตึงอยู่ก่าที่ที่เป็นดาพระพุทธเจ้านะะอที่ว่าพระพุทธเจ้าทําให้ท้องไงมีโทษหนักนะแผ่นดินแยกนะเป็นอาเวจีซะเลยนะครับดูสิคะว่าในอเวจีมหานรกเนี่มีจัตนรกประเภทไหนมากที่สุดโอ้โห ประเพศไหนมากที่สุดแต่งตัวไงมากที่สุดรอ้าวพระนะมากที่สุดนี่เรียกนักบวชกันแล้วกันนะพระแปลว่าผู้ประเสริฐใช่ไหมคะนักบวชนักบวชนักบวชจริงพอร้นรามาก<อ>ที่สุดถามท่านพญายมราชที่ทําไมเป็นถึงนักบวชนะ่ะเป็นผู้ที่คนเขาไหว้เขาบูชาแล้วทําไมจึงมาโศกเอเวจีมาหานรุกทําผิด พ่อวินัยของพระพุท ธ, ธเจ้าที่ส่งมันจัดไว้วินัยก็คือศีลลหละครับแล้วทำอะไรอีกคะแล้วก็เอาของสงไปใช้ประโยชน์โดยส่วนตัวเออเออเออเออเ อ, อ, เออเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอใครคะผมเจอหลวงตาองคหนึ่งเ่าแล้วเจิงตายแล้วครับตา เจอแล้วเจอแล้วสวงตาถูกทรมานยังไงคะโอ้ถูกตกนรกตายเลยดวงตาเอ้ยเคยรู้จักชอบกันน้าแล้วทําไมถึงทรมานมากจางนั้นดูงตายอยู่ในสภาพไหนคะนั่งหรือว่าหรือว่านอนหรือว่ายืนยืนค่ะยืนนะตามตัวมีหอกไหมหอกเต็มไปหมดข้างหน้าข้างหลังขยับข้างไหนก็ได้ไฟก็ลบท่วมออื เ อ, อ ถ, าถามท่านพรยาโยามราศีาคะเอาหลวงตาขึ้นมาได้นะคะขอดูที่ขอจะดูให้หลวงตาเล่าไปฟังว่าทําความผิดอะไรจึงได้ตกเอเวจีมหานรกเอาขึ้นมาอย่างคะเอาขึ้นมาได้ครับถาม เ, เข้าหลวงตาเล่าไ อ, อ้ตอนนี้เอาขึ้นมาเนี่ยหอบอะไรพวกนี้หลุดหมดนะฮะหลุดหมดขึ้นมาเออเดี๋ยวผมถามก่อนาถามอีก ว่าหลวงตานี่ททำอะไรไว้จึงได้มีกรรมเวีนขนาดหนักอย่างนี้โอ้ตายเลยท่านบอกว่าท่านจนฮะจนล้วไปบวชจนก็ไม่จนมากถึงขนาดนี้เลหลวงตาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำความท่า น, ท, านท่านบอกว่าท่านหา เงินให้ลูกเรียนไม่ทันเพราะลูกหลายคนะนะฮะอันนี้ท่านก็บอกว่าท่านจำเป็นจะต้องบวชบวชหาเอกราบเพื่อช่วยลูกคับ<อ>แล้วช่วยแล้วลูกช่วยเราขึ้นนรกได้ไหมไม่มีทางโอ้ยเอาเงินที่เทบาทวารค่ะใช่ครับไปส่งลูกเรียนค่ะ ไม่เอาไปทำอะไรอีกข้าเงินเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมถามอีกอ๋อเงินที่ชาวบ้านเขาทำสังฆทานนะสังฆทานนั้นก็ไม่มีเฉพาะเงินอย่างเดียวมีของด้วยมีอของด้วยมีหม้อมีปินโตมีอะไรแล้วหลวงตาเอาไปไหนล่ะครับส่งไปบ้าน S <S <S ส่งไปทําไม้หลวงตาก็ไม่รู้หรือไหว้ในนายของพระลูกก็ทําไงจนท่านบอกว่าจนจนเป็นเรื่องกฎของกรรมนี่ไม่ได้ของสงนี่ไม่ได้นะคะถ้าส่งมาไปบ้านอะไรไปจุนเจอครอบครัวใช่ครับเนี่ยของสงนะคะคไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนหลวงตาทําอย่างนี้ก็เลยเอาเวทีมหานรกครนี่ถ้าพวกคนอื่นๆนะคะ นักบวชคนอื่นๆที่จกนรกก็ประเภทเนี้ยใช่ไหมคะครับถามที่เขาว่าเมื่อพ้นจากเอเวจีมหานรกแล้วลวงตาจะต้องไปไหนต่ออีกขอดูภาพเลยไปบริวารไปบริวารนรกบริวารใช่ไหมคะครับนรกบริวาร น, นี่มีอยู่สี่ทิศนะคะใช่ครับที่บุลองดูนะคะทิศหนึ่งก็มีออกไปสี่ขุมใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ไปดูเลยค่ะ ไปดูนรกบริวารต่อเลยเมื่อออกจากอเวจีมหานรกแล้วผ่านนรกบริวารสี่ขุมผ่านหมดบลบไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมเจอเจอใครอีกฮะเจอยายป้านั้นอีกคนหนึ่ง อ, อยู่ไหนนั้นเนีายป้าอยู่ไหนคุ้มไหนคะคุมอเวจีครับคุออมอเวจีอีกอัะยายป้าทําอะไรเพิ่งตายอ่ะคะตายมานานแล้วอะตายมานานแล้วครับแล้วทําไมยังอยู่นี่อีกเ อ, อ้าอ่า ฐ<ผ><อ>านนะขอเขาพยาโยมาล่ลาฉันช่วยเอาขึ้นมาให้เล่าให้ฟังที่ทำความชั่วอะไระโอ้ยป้าทำอะไรแล้วกันก็ทำภาพให้ดูนะคะถ้าเป็นประสิกภารโอ้ยพยป้าเลยว่าตัเอ้ยที่ไม่ใช่ภาพเยอะแยะทำไมไม่เอา <laughs> พาะไปเอาโอ้นี่พระไปเป็นประราชิกกับเรป้า่ยพระเลยมาเวจีซะด้วยครับพระองค์ไหนอ่ะโอ้ยหลงตาหลงตาอีกแหละทาไมหลงตานี่เอาหลายอย่างดิไม่ไม่ใช่หลงตาองค์เดียวกันนะฮะไปอีกองนะค์งหนึ่งนะครับอีกองค์หนึ่งแล้วคุณรู้จักไหมคะหลงตารู้จักรู้จักรู้ักอยู่ด้วยกันอีกครับเอาเวจีเนี่ยครับอเสร็จแล้วโอ้เรป้า่ยไม่เป็นสมาธิไม่ไม่เป็นประราชิกหรอกแต่ว่าหลงตาเป็นประราชิก เลยป้าร่วมด้วยก็เลยมาซะด้วยเออถ้าเยป้านอกจากเป็นอะไรได้เสียกับนักบวชนี่แล้วแล้วเยปาทําความชั่วอะไรอีกหรือเปล่าคะท<ำ>ําทําอะไรคะพวกไม่มีความเมตตาอี ก, ก อ, อ่พวกขาดเมตตานะคะทําความชั่วได้สารพัดก็ขนาดนี้ยังทําได้ใช่ไหมคะทีนี้เอาลราเมื่อพ้นจากอเวจี v G แล้วนะคะต้องออไปผ่านนรกบริวารสี่ขุม เมื่อพ้อนจากนรกบริวารสี่ขุมแล้วไปไหนอีกคะถามท่านพญาโยมาราชี่จมาหลุมที่เจ็ดมาหลุมที่เจ็ดนะคะครับครับต้องผ่านยมมโลกียะนรกก่อนรึเปล่าสิบขุมอะผ่านไหมคะโอ้โอ้ โ, อโอต้องผ่านไปอีกแฮ่ผ่านไปอีกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใช่ใชผ่านไปอีกสิบขุมนะคะครับครับครั บ, รบกรเก็บข้อกรรมเก็บ แล็กเก็บน้อยผ่านสิบขุมพ้นจากย ม, มโลคียานกสิบขุมแล้วมาเข้ากลุ่มที่เจ็ดใช่ข้ามลุมที่เจ็ดก็มันอยู่ในหอกดาบแดน ล, วลาวทิมแทงนอนไฟท่วมอะไรสิครับครับครับอยู่เต็มอายุไหมครเต็มครับครึ่งกลับนะคะเพราะพอพ้นจากครึ่งกลับไปแล้วออกจากลุมที่เจ็ดไปไหนอีกท่านดูภาพพีะ่ะมาต่อมาอีกต่อมาอีกต่อไปไหนค่าต่อมาหลุมที่หกหลุมที่หก จ, จะเข้าหลุมที่หกเนะี่ยผ่านบริวารไหมจ้ อ, อ๋ผ่านผ่านผ่าน สี่คุ้มแตอีกสิบครับครับครับุ้มไหมคะสี่สี่สิบหกเป็นสิโอ้สายอีกแล้วคุ้มที่หกพออยู่คุมที่หกแล้วก่อนจะออกจากคุมที่หกเศษของกรรมไปไหนอีกคะมาหลุมที่ห้าอีกแล้วหลมที่ห้าอีกอ่ะก่อนจะออกจากคุ้มที่ห้ามีการไปบริวารอีกอแล้วไปไหนตายแล้วมาไหนอีกตายตายตายตายอย่างเนี้ ไม่ไหวแล้วผ่านบริวารอีกสิบสี่คุมเสร็จแล้วไปไหนอีกคะดูภาพต่อไปเลยมาที่สี่แล้วโอไล่ไปเลยครับเพราะฉะนั้นก่อนจะออกจากคุมที่สี่มีการผ่านนรกบริวารอีกไหมคะผ่านครับผ่านครับแล้วมาเข้าคุมไหนอีกนะคะมาคุ้มที่สามอีกแล้วคุมที่สามอีกแล้วครัครับครับหลงตาหนักเลยนะคะโอ้ผมไม่เอาแล้วผมไม่บวดนะครับหลงตาหลงตาบวดคนเดียวเถอะ ไม่เอาคุณลงรู้แล้วนี่คะไะไปกลัวทําไมนะคะกลัวอืกลัวเราไม่ทำํำเรารู้แล้วเราก็ได้ไม่ทําชั่วไงคะอ่าก็ตั้งใจใหม่ก็เป็นอันว่าออมจากคุมที่สามก็ผ่านบริวารอีกมาเข้าคุมที่สองอีกมาอีกจากที่สองผ่านนรกบริวารผ่านคุมที่หนึ่งอีกครับก่อนจะออกจากคุมที่หนึ่งต้องผ่านนรกบริวารอีกหรือเปล่าคะผ่านครับผ่านอีกนะพ้นนรกบริวารแล้วขอดูภาพต่อไปเลยไปไหนคะคุงตาจะไปไหน ไปเปรตอาสุรกายอ่าไปเป็นเปรตด้วยเปรตสิบสองจำพวกผ่านหมดหรือเปล่าคะไปเลยไปเลยไปหมดเลยทุกแห่งเลยพ้นจากเปรตมาเป็นอาสุรกายครับพ้นจากอาสุรกายขอดูภาพต่อมาเลยค่ะมาเป็นอะไรอีกนะเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ไล่เบี้ยกั้งแสัตว์ประเภทไหนไปก่อนดูสิคะตั้งแต่โตไปหาเล็กไม่ใช่เล็กมหาโตหรอคะตั้งอตะโตไปหาเล็ดเริ่มต้นเป็นสัตว์อะไรก่อนขอดูภาพสิคะ อ๋อ oh. เป็นสัตว์อะไรก่อนเป็นโมดอ่ะอ๋อเริ่มต้นสัตว์เล็กๆก่อนเป็นโมดก่อนนะคะครับอ่าเป็นบี่มดไว้กี่ตัวทีนี้อะใช้นี่กันชีวิตหลาชาติละออ oh. เป็นยุงมีไหมคะแกคนทําสวนนะ่ะอ่าแกคนทําสวนนี่ต้องมากครับเอาล่ะฆ่าสัตว์ชนิดไหนไว้เท่าไหร่ไปเป็นสัตว์ชนิดนั้นให้เขาฆ่าจํานวนชาติเท่ากับที่ตัวเองฆ่าใช่ไหมคะครับไล่ขึ้นมาเป็นสัตว์ใหญ่ไหมคะ มีมีมีมีมีสัตว์ที่เป็นของแถมนะคะถ้าผ่านสัตว์เดรัจฉานแล้วเราก็จะต้องเป็นมีโอกาสทุกคนอะแรงเป็นไหมคะเป็นห้าร้อยชาติกามีไหมคะมีอีกห้าร้อยชาติมาบ้ามีเปล่าคะมีอีกห้าร้อยชาติอันนี้ต้องเป็นโดยอัตโนมัติถ้าผ่านสัตว์เดรัจฉานคือเมื่อพ้นจัลนโกขึ้นมานะคะเข้ามาสู่เขตของสัตว์เดรัจฉานจะต้องเป็นแรงห้าร้อยชาติกาห้าร้อยชาติสุนัขบ้าอีกห้าร้อยชาติใช่ครับดวงตาเอาหมดเลย หมดต่อมาหมดโทษมากไหมครับโทษมากนะคะท้นจากเอสัตว์เดรัจฉ า, านแล้วไปไหนคะ่ะดูภาพดิคะ่ะจากถ้าได้เดรัจ า, านแล้วมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนนะ่ะเป็นคนเริ่มต้นจากคน<อ>ประเภทไหนก่อนคะ่ะดูที่คะ่ะโอ้เปียงน้อยเปลี่ยงน้อยค่่ะน้อยเปรี่ยเสียขาพี่คนพิการละใช่ใช่แล้วต่อมามาเป็นคนประเภทไหนอีกคะ่ะดูภาพ คนหูหนวกมีไหมคะไม่ห้าร้อยชาติอ่ะตาบอดมีไหมมีครับนะพวกหูหนวกนี่ประเภทที่เขาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วทําส่งเสียงดังกรบเสียงเขาคงานพวกนี้หูหนวกครับตาบอดนี่บอดเขาทําบุญกันเขาจะมาบอกบุญทําเป็นมองไม่เห็นกลัวเขาจะมาทํามากลัวเขาจะมาเรียอะไรนะคะครับครับครับคนบ้าห้าร้อยชาติเป็นอีกนะ โอ้ยทีนี้เป็นในบ้าแก้ผ่าแล้ววะเป็นแค่ผ้าแล้วหรอคะครับพวกคนบ้าในเศษของเศษของการประเภทดื่มจุฬานะคะครับกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นคนสมบูรณ์นะดูที่นานนะมนานครับนานแต่ยังมีอีกอ่ะมีอะไรคะโอ้ยมีอะไรอีกคะต้องจะไปเป็นยาจกอีกอ้าวยาจกเข็ญใจอีกเขาทานครับไม่ไหวแล้ว กว่าจะมาเป็นคนโดยสมบูรณ์นี่เป็นไงนานแสนนานใช่ไหมคะนานมากครับนานมากนี่หลวงตาแล้วอย่างนี้ใครจะไปบวชลรา <laughs> ผมไม่เอาแล้วเอาลับกลับไปที่สำนักงานพยาโยมราชใหม่เล่าผ่านนรกบริวารและยมโบโลกีนรกมาเดี๋ยวไปดูกันสัหน่อยดีไหมคะค<ร>่ะดีนะคะและถึงบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่นะคะท่านพ่อท่านแม่อยู่ด้วยใช่ไหมคะอยู่ครับท่านพยาโยมราชล่ะคะ โยครับบริวารของนรกขุมใหญ่ซึ่งมีออกไปสีทิศเนี่ยมีนรกบริวารสี่ขุมนะคะคุณลุงขอท่นานพญายมราชพาไปดูนรกบริวารขุมที่หนึ่งที่มีชื่อว่าอุดสุดท่านรกหรือว่าคูเถรนรกสําหรับนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่เขาเรียกว่าขูดแปลว่าขี้หรืออุจจาระนะคะใช่เจอแล้วอย่างคะเจอแล้วครับในหลุมนี่มันจะมีอุจจาระหรือว่าขี้แต่มันมาเป็นขี้เป็นขี้คนหรือขี้เหล็ก มันเป็นขี้เหล็กอะขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กมันเป็นมันเป็นไฟอ่ะอ่าร้อนแดงเลยใช่ไหมคะครับครับสุกแดงเลยแล้วนรกทํายังไงอะอยู่ในนั้นเนอะกินกินด้วยครับแช่อยู่เปล่าแช่นี่อยู่นี่อันนี้ไม่มีเวลาจํากัดนะคะคเสเศษของกรรมจากนรกขุมใหญ่เนี่ยเราไปจมในหลุมขี้ทั้งกินทั้งแช่นะขี้ก็คือขี้เหล็กสุกแดงใช่ไหมคะครับมันอยู่ในนี้เวลาไม่จํากัดนะคะกินแล้วก็ขี้ออกขี้ออกแล้วก็กินอีกะ ในเหล็กแดงนด้นะคะต่ อ, อไปนรกบริวารขุมที่สองมีชื่อว่ากุกกุระนรกขอดูภาพสัตว์นรกค่ะกุกกุระนร ก, นรกเวลาไม่จำกัดผู้ลุงเห็นสัตว์นรกไหมคะแห่งครับถูกทรมานยังไงคะอ้อไอ้พวกนี้ก็ไปอีกแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะครับมีไอ้สายสายรักลึงนะั้มมีครับสายสายทองแดงอะทองแดงหรืเหล็กแดง แต่<อ>ผมเห็นแดงๆแดงๆมันร้อนแดงนะคะครับเอ๊ยตนนี้เขาเรียกว่าเข้ารึงมันรัดตัวใช่ไหมคะใช่ครับสัตว์นรกดิ้นไหมดินด้นมันดิ้นไอ้สายเนี่มันยิ่งมันก็รัดเข้าเรื่อยรัดเข้าเรื่อยนะะโอ้เวลาไม่จํากัดนะคะอันนี้ก็ต้องผ่านนรกบริวารลุ่มที่สามมีชื่อว่าอสิปั ต, ตะนรกขอไปดูอผ่านไปผ่านนรกบริวารลุ่มที่สองเข้าขุมที่สามอสิปัตะนรกเจอต้นไม้กับต้นเจอต้นอะไรก็ดูที่ค่ะ โอ้โหนี่มันต้อนอะไรไม่เคยปปไม่เคยเห็นเลยมีลูกก็ป่ะมีครับมีลูกคล้ายมะม่วงก็ป่ะคล้ายๆคล้ายๆนะค ะ, คะมีลูกดกนะค ะ, คะสัตว์นรกเมื่อพ้นจากไอ้เข้ารัดึงไปแล้วก็ไปผ่านอนี่พอเห็นต้นมะม่วงกดของจำนะคะอทาให้เห็นว่ามันมีมะม่วงสุกน่ากินหอมก็วิ่งเข้าไปพอวิ่งเข้าไปแล้วมะม่วงที่มันหล่นลงมากลายเป็นอะไรคะ โอ้โหกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นไฟอะเป็นไฟเป็นห อ, อกเป็นดาบครับครับตก ล, ลงมาอย่งกับฝนเลยครับทิ้มแทงนี่ก็ไม่รู้จะหลบไปไหนอสิครับย่งอะไรนรกขุมนี้นะคะก็มีเวลาไม่จํากัดอีกอายุไม่จํากัดนะคะคต่อไปนรกบริวารขุ่มที่สี่สัตว์นรกถูกไอ้ดงมะม่วงนําหอดากดับหล่นลงมาทิ่มแทงใช่ไหมคะใช่ครับก็ผ่านไปนรกขุ่มที่สี่มีชื่อว่าเวตรณีนรก สนหรับเวตราณีนี่เป็นนรกแม่น้ำสัตว์นรกมันร้อนนะคะทรมานมากวิ่งไปไปเจอแม่น้ำมันก็นึกว่าน้ำจะเย็นจะสดชื่ น, นะคะ่ะโดดตู้มลงไปโโอโกลายเป็นอะไรน้ำนั่นกลายเป็นน้ำร้อนน้ำร้อ น, นเปื่อยไปเล ย, เ น, เลยนี่ห อ, อกมีดาบในน้ำน่หรือเล่าไม่ครับ ลงไปแสบเลยสิก็เป็มาจากหอกดาบทิ่มแทงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะครั บ, รบ น, น้ํานมันก็เป็นน้ํากรดมันก็ละลายเนื้อเจ็บแสบไปทั้งตัวนะแต่ว่าสรดของก ร, รมทําให้เห็นเป็นน้ําใสอยากจะกินอยากจะอาบเพราะความร้อนที่พอร์มา น, านมานานใช่ไหมคะครัใช่จะปรากฏ ว, ว่าโดดลงไปกลายเป็นอย่างนั้นแต่ก็คิดอันนี้เป็นนรกบริวาร น, นะคะเอเมื่อค้นจากนรกบริวารสิขุมแล้วต้องผ่านยมโรกียะนรกสิขุมทีนี้เราไปดูรายละเอียดสิขุมซะหน่อยนะคะ นึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าไหมคะเห็นครับนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ตามความเป็นจริงว่านารกเนี่ยมันมีจริงอย่างที่คุณลุงเห็นอยู่เวลานี้นะค ะ, ะแต่คนที่ไม่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีพวกนี้สงสัยจะอยู่นานหน่อยนะคะไม่จริง อ, ะอ่ะมะีพระพุทธเจ้าท่าตรัสว่ามีมท่านพบนะนะคะ<อ>ก็เป็นอันว่ายมโลกีญานารกสิบขมุมขอบารมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่และพยาโยมราษท่านพาไปดู ยมวโลกียานรกขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าโลหะคุมพีขอดูสภาพของสัตว์นรกในนั้นตามความเป็นจริงพระเจ้าค่ะเจออย่างคะเจอแล้วค่ะสัตว์นรกถูกทรมานไงคะอ่อฮะพวกนี้พวกนี้ก็ไปอีกแบบนะคเอออังยู่ในอะไรถูกทรมานในไหนอยู่ในหนในลุมนรกเลยเป็นหลุมหรือเป็นหมอ้อเป็นหมอ้อเป็นหม้อนะคะครั บ, รบในหม้อมีอะไรคะพวกเหมิน เอ๊ะทำไมมันมีน้ำทองแดงแล้ววะมีน้ำทองแดงเป็นโลหะร้อนๆอยู่ในนอแล้วสัตว์นรกอยู่ยังไงอยู่คับลอยอความเคลงแล้วก็เดี๋ยวก็เปื่อยอ้านายนิบานอ้เปื่อยแล้วเหลือตะกรั่กมามีเนื้ออีกแล้วนีนิยบานมีพวบคุมป่ะมีคุ้มไหมนายนิยบานมีมีมีพวที่จะออกนอกมองก็ หอกเสียบแต่งไปใช่ใช่ใชอ่อย่านันนไฟท่วมไหมคะท่วมครับท่วมนะอันนี้เป็นนรกบร อ, อยมมาโลพี น, นรกกลุ่มที่หนึ่งนะคะโลหะกุมพีพระเจ้าชาติศัตรูอยู่กลุ่มนี้ค่ะขอพยายมมาลาท่านช่วยห น, นพระเจ้าชาติศัตรูที่เขาอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่กองกลางเลยครับอยู่กอ ง, งกลางเลยนะคะลอยลอยอยู่หน่อยหนะคะใช่อันนี้พระเจ้าชาติศัตรูโผกผุก่าเรา เราช่วยท่านขึ้นมาเบาบ้างแล้วนะคะ ค, ความรจริงแล้วท่านข้าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมคะ ทําการฆ่าพ่อควรจะอยู่โลกันนะคะคแต่ท่านทําไปเพราะหลงเชื่อท่านเทวทัตเพราะว่าท่านเป็นเด็กนะคะครับและเมื่อทําแล้วรู้ว่าตัวเองผิดเข้าไปขอเข้ามาโทษต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเบาตรงเนี้นะคะคเสร็จแล้วตอนหลังตั้งใจทําความดีด้วยการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้มีพระเวพทพระศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งมาถึงเราทุกวันนี้อาศัยความดีของพระเจ้าชาติศัตรูนะคะซึ่งได้อยู่แค่โลหะกลุมที ามาเด็ไปลายโรกันนะคะเอาละสำหรับมาลบขุมนี้โทษอะไรคะถามท่นานะญาโยมมาลาสิคะออโทษค่าข้าสารกันนะคะับครับ ปนาฏิบาติละนะคะข้าพ่อตีแม่เออถ้าค่าพ่อแม่ไปโลกันก่อนล่ะนั่นไปมาแล้วถ้าไปโลกันมาแล้วก็มาผ่านกันหมดละนะคะไอ้พวกเหล้ามีไหมเหลือเหลือโทษเบาเม่เดิมเหล้ามเม่ต่อไปยมโลกีนรกขุมที่สองมีชื่อว่าสินพรีนรกพวกนี้อายุไม่จํากัดนะคะคไม่มีอายุจํากัดขอท่านพญายมราชท่านพาไปเจออะไรบ้างคะสินพรีนรกชื่อมันสวย ชื่อสวยแต่ว่นนานรกมันไม่สวยสิครับมันมีอะไรคะโอ้พวกนี้มีน้ำทองแดงน้ำทองแดงคุมที่สี่ค่ะเดี๋ยวย้อนมาค<อ>ุมที่สองสิมครีมีต้นมไม้หระโอ้มีมีมีมีมีจะเลยคุมนี้ไปเราเคยอยู่อ่าต้นอะไรคะคล้ายๆกับต้นมะม่วง คล้ายๆมะม่วงมันเป็นต้นไม้หรือต้นเหล็กต้นเหล็กอ่ะมีหนามนะ ม, มีต้นยิ้วอ่ะจะก็ยังค่ะทำไมมันไม่มีใบอ่ะไม่มีค่ะมีตนามดอกก็ไม่มีเยอะไหมคะต้นยิ้วเยอะนะอ้เอาอีกแล้วตาล ก, กว้างไหมคะกลุ่มนี้กว้างกว้างนะคะเอาสัตว์ต า, า, าลกวางไต่ยังไงขอดูภาพดิคะ่ะ สาขึ้นไปเนต้นนิ้วก็เป็นไงแล้วไอน้นํามันทาําไงหนามันทิ่มเอาอ่ะมันเหมือนสนปริงไหมโอ้โ ห, โหเหมือนครับทิ่มเอาแล้วมันมีไฟอป่ะมีไฟไฟร้อนกับแสบเป็นของประจํนานรกทุกขุมนะคะน้านํามันก็เหมือนสนปริงทิ่มเอาสาขึ้นไปบนต้นเอาหนแล้วแลแล้วแล้ ว, ล ว, ลวบนต้นไปเจออะไรอีกขึ้นไปข้างบนเจออะไรอีกปิแรงกามันทําอะไรคะ มาค่อยจิดหัวเอาอะจีบหัวเอาทนไม่ไหวละค่ะต้องถอยลงมาถอยลงมาข้างล่างเจออะไรอีกคนต้นเจอหอกไปอีกหอกใครออหอกของใครคะของพยาลมครับไม่ใช่ไม่ใช่ของพยาลมของนายนิติบัยญบาลเออใช่ใช่ใช้ามีอะไรตัวอะไรอีกไหมผมมันแก่แล้วประจําชื่อผิดผิดไม่เป็นไรทนไม่ไหวแล้วเอ่อมีเจอตัวอะไรอีก มีไหมคะมีหมาหมาทำอะไรหมาอมคอยกัดเอาอ่ะคอยไล่กัดนะนายนบ้านก็ทิ้มขึ้นเอาขึ้นต้นนิ้วอีกครับเอ้ยนี่มันไม่ใช่มีแต่เฉพาะผู้หญิงนี่น่ะอ้าวทาไมล่ะคะเอ้ผู้ชายก็มีอ่ะอาผู้ชายเขานิยมลงมากที่สุดละโอ้ตายร่อยตายเลยต้นนิ้วมีเยอะนะครับถามว่าคนเขานิยมลงกันมากในเฉพาะไหมในผมเนี่ย พอบรรจุไหมไม่พอไม่พอหมายความว่าคนเนี่ยลงมาเถอะนะคลงมาเถอะไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะไม่พอนะต้นยิ้วก็มีสำรองไว้ใช่ไหมคะมีมีแต่มีบางคนเขาบอกว่าตอนนี้ต้นยิ้วมันเต็มแล้วอเขาบอกต้นยิ้วถูกตัดค้นหมดแล้วอให้คนที่พูดคู่นี้ลงมานี่โดนสองเท่าป่ะใช่ใช่โดนสองเท่าเลยนะฮะไม่จริงเลยครับมันกว้างอ่ะมันกว้างนะคฮะมันลงมาเท่าไหร่กกดของกรรมขึ้นเท่านั้นนะครับขอดูภาพอีกที คุณลุงบุญมีนึกถึงพระพุทธเจ้าขอพญาโยมมาลท่านช่วยเห็นภาพว่าคุณลุงเคยตกนรกขุมนี้บ้างไหมคะขอให้ภาพกลับฟดไม่มีครับท่านโบกมือบอกไม่มีไม่ ม, มเจ้าชูนี่นะคะไม่มีก็ไม่แต่ลายไม่ถูกตจนยิ้วฟันนะคะพเราผ่านไปนรกขุมบริวารโย ม, มโลกีนรกขุมที่สามมีชื่อว่าเอ่ออาตินขันนรกขอดูสภาพของสัตว์นรกที่คะ สำหรับอาสีนักนรกนี่เป็นนรกพวกขมโมยรักเล็กขมโมยน้อยดูที่สัตว์นรกถูกทรมานยังไงคะอือันอันนรกนี้อันธพาลน่ะใช่ครับใช่ครับถูกทรมานยังไงคะโอ้ไอพวกนี้ถูกทรมานไอพวกนี้มีน้ําอ้ยมีน้ําด้วยครับครัครับถูกทุบ<ๆ>ถูกตีอนะไรนี่ใช่ใช่ ถูกนีดถูกดึงถูกลั้งมีต่างๆนานาล่ะใช่ครับนรกอนอินาทายก็พวกขโมยนะคะ<ช>ต่อไปยมโลกียะนรกกลุ่มที่สี่มีชื่อว่าตามโพธนะานรากนี่แหละที่คุณลุงเห็นตอนแรกแล้ว ค, ะค่ะกลุ่มนี้แหละเจอแล้วละน้ําทองแดงล่ะอแต่นรกถูกตำมานยังไงกรอกไหมกรอกครับกรอกโอ้ยกรอก <ขอ S 2> <อ>ไปน้ําทองแดงนะคะกรอกเข้าไปแล้วมันก็เปื่อยพวกกินเหล้าอ่ะนะ เ, เปลยแล้วมันก็เนื้อหนังกลับมาติดอีกแล้วแล้วก็เอาเข้าไปอีกแล้วโอ้ทีนี้เวลามันหมดทน